บทอาระดูนีเป็นบทมาดานยะมี43องค์การซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเช่นเดียวกับบทมาดานยะทั้งหลายคือยืนยันให้ความเป็นเอกภาพของอาระการเป็นศาสนทธุของมูมัต์การฟื้นคืนชีพและการตอบแทนในปรโลกบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงปัญหาใหญ่คือปัญหาการศรัทธาต่อล้อและการให้ความเป็นเอกภาพแด่พระองค์ ทั้งๆ ท, ที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนอยู่แล้วแต่พวกบูชาเว็ตก็ยังปฏิเสธศรัทธาต่ออัลกุรอานและไม่ยอมให้ความเป็นเอกภาพแบบพระองค์่นั้นองค์การต่างๆในบทนี้จึงได้ยืนยันถึงเดชานุภาพทุกอย่างอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ความแปลกประหลาดของสิ่งที่เกิดขึ้นมาในบรรดาชั้นฟ้าและกันดนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลางคืนและกลางวัน ตลอดจนสิ่งอื่นๆที่ล่อส่งบังเกิดขึ้นมาในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลในมดล่างค์การต่อต่อมาได้ยืนยันถึงการฟื้นคืนชีพและการกอบแอกหลังจากได้กล่าวถึงหลักฐานอันชัดแจ้งและแน่นอนว่าพระองค์เท่านั้นเป็นผู้สร้างผู้ให้บังเกิดเป็นผู้ให้มีชีวิตและให้ตายเป็นผู้ให้ทุนแลกโทษอันกรณุณานยกตัวอย่างสองเรื่องสําหรับความจริงและความเพีย เรื่องแรกเกี่ยวกับน้ำที่ไหลลงมาจากฟ้ากฟ้าลงสู่หเหวและแม่น้ำลำธารและได้พัดพาวสิ่งโสโครกลงสู่ลำธาร ม, มีฟองน้ำลอยอยู่ข้างบนซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เรื่องที่สองเกี่ยวกับแร่ธาตุที่ถูกนําไปหลอมแปลสภาพเป็นภาชนะต่างๆและเครื่องประดับเช่นทองและเงินส่วนที่ปรากฏได้เห็นอยู่ข้างบนคือที่โลหะ ซึ่งถูกกระจัดออกไปสำหรับส่วนที่เหลืออยู่คือธาตุแท้ที่บริสุทธิ์ในบทนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความสุขและผู้ที่มีความทุกข์ซึ่นคนตาบอดกับคนตาดีแล้วก็ได้แจกแจงชะตากรรมของคนทั้งสองประเภทที่ถูกขนานนามว่าบทอรอดดูนั้นเนื่องจากปรากฏการณ์แห่งจักรวาลอันน่าประหลาด สมบัการแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงอานุภาพและอำนาจอันปราศจากขอบเขตของอัลลอฮฺสุบะฮานุอตาลาสำหรับน้ำนั้นอัลลอฮฺทรงบันดาลให้มันไปสาเหตุแห่งการดำรงชีวิตและทรงบันดาลให้มันไหลลงมาจากก้อนเมฆด้วยเดชานุภาพของพระองค์และในก้อนเมฆนั้นพระองค์ทรงรวมมันไว้ด้วยกันระหว่างความเมตตาและการลงโทษก่อนเมฆนั้นได้อุ้มน้ำฝนและเก็บสายฟ้าเอาไว้ด้วย สำหรับน้ำนั้นคือการให้มีชีวิตชีวาสำหรับสายฟ้านั้นก็คือการทำความพินาศการรวมเอาสองสิ่งที่ขัดกันรวมเข้าไว้ด้วยกันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดดังที่ได้มีผู้กล่าวไว้ว่าการรวมเอาสิ่งที่ขัดกันเข้าไว้ด้วยกันนั้นนับด้วยว่าเป็นเคลเ็ดลับแห่งเดชานุภาพของกลุ่มในก้อนเมฆนี้มีทั้งน้ำทั้งไฟมันช่างเป็นเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺเสียนี้กล بسم الله الرحمن الرحيم. بسماء <تسجيل> الله هو سبحانه هو ح ا ن ه مهدا เสมอ الإسلام مرام تلك آيات الكتاب والذي อัลเลาะห์ลาอัมรอลาวนี้คือบรรดาองค์การแห่งขภีและสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้มิบาลของเจ้านั้นเป็นสัจธรรมแต่คนส่วนมากไม่ศรัทธาอัลลอฮฺผล้ที่รั้งทั้งทั้งทีดไม่ถึงทีา ดุ้มมาสวะ على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرين أجر مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلك ลِ ب ِ ق َ ا ئ ر ب ّ ك ُ م ْ ت ُ ق ن و ن َอัลลอคือผู้สงยกฉันฟาทั้งหลายไว้ด้วยประาศจากสาวคาจุดซึ่งพระเจ้ามองเห็นมัน และพระองค์ทรงสถิตยอยู่บนบัลลังก์และทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโครจรไปตามวาระที่กำหนดไว้พระองค์ทรงบริหารกิจการทรงจำแนกองค์การทั้งหลายไว้อย่างชัดเจนเพื่อพวกเจ้าจะได้เชื่อมั่นในการพบพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า และพระองค์คือผู้ทรงแผ่ทันบินและทรงทำให้มันมีภูเขามั่นคงในนั้นและมีแม่น้ามากมายและจากพืชผลทุกชนิดทรงให้มีจานวนผู้ ทรงให้กลางคืนครอบคลุมกลางวันแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุมชนผู้ไร้ขวนว่าในดินถูกทำมุตเจาวิรัติว่าจันนท์นี่น่าบินงว่า ร, รังว่าน خ ีลซินวานว่าไม่ซึ่วาน และในแผ่นดินนั้นมีเขตอดานติดต่อใกล้เคียงกันและมีสวนพฤษาเช่นต้นอังุ่นและต้นที่มีมเล็บและต้นอินทพะ ที่มาจากรากเดียวกันและไม่ใช่รากเดียวกันและเราได้บางชนิดดีเด่นกว่าอีกบางชนิดในรสชาติแท้จริงในการนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใช้ปัญญาออออนนจจดดบมคลุรีก อุลาอิคัลลี่ล์คัฟรุบรับบิหิม و أ ลากเจ้ามูฮัมมัดประหลาดใจดังนั้นคำกล่าวของพวกเรงก็น่าจะประหลาดใจที่ว่าเมื่อเรากลายเป็นดินไปแล้วแท้จริงเราจะเกิดใหม่กระนั้นด้วย ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ปฏิเธสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาและชั้นเหล่านั้นโซ่ตรวนจะถูกล่ามบนต้นคอของพวกเขาชันเหล่านั้นคือชาวนารกโดยพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล และพวกเขาเร่งเราเจ้าขอความชั่วคือการลงโทษก่อนความดีคือความสุขแต่น่านอนได้มีหลายตัวอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้าพวกเขาแล้วและแท้จริงพระผู้อวยบานของเจ้าเป็นผู้สรงอภัยโทษแก่มนุษย์ต่อการทำรรของพวกเขา แต่ถ้าจริงพระผู้อบิบาลของเจ้าเป็นผู้รุ่แรงในการลง โ, โทษละบรรดาผูป้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าทำไมจึงไม่มีปาฏิหาริย์จากพระผู้อบิบาลของเขา ถูกประธานลงมาให้แก่เขาถ้าจริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้นและสำหรับทุกทุกลุ่มชนนั้นย่อมมีผู้ชี้ทางนะอัลลอฮฺทรงรบรู้สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนตั้งขันและบรรดาคันที่คลอดก่อนกำหนด และที่เกินกำหนดและทุกๆสิ่งนณพระองค์นั้นมีกำหนดสภาวะไว้อาลิมุลฆอยบิวัศชาาดะิลกะบีรุลมุตะอาลผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงสูงส่งยิ่งซาวะอุมมินกุมมันอัสรุลกอลวะมันจะระบิ เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้าผู้ที่ปกปิดคำพูดและผู้ที่เปิดเผยหมนแต่ผู้ที่ซ่อนการกระทำในเวลากลางคืนและผู้ที่เดินทางอย่างเปิดเผยในเวลากลางว่า لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سؤالا ما ردله ววมมาลุินนดูสําหรับเขามีมาริการผู้เฝ้าติดตามทั้งด้านหน้าด้านหลังเขาคุ้มครองเขาตามพระบัญชาของลอตถ้าจิงอลอตจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มชนใดจงกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวของพวกเขาเองและเมื่อลอตทรงปราถนาความผู้แก่กลุ่มชนใดก็จะไม่มีผู้ตอบโต้เขา และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นบพระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเห็นฟ้าแลกเพื่อความกลัวและความหวังและทรงให้เกิดเมฆขึ้น ดฟ้าลัจะสะดุ س ن س ن ดีสรรเสริญพระองค์และมาลลย์กาก็จะสะดุดีเนื่องจากความกลัวพระองค์และพระองค์ทรงให้ฟ้าผ่าและมันประสบกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยที่พวกเขาโต้เถียงกันในเรื่องของอัลลอฮ له دعوة الحق والذين يدعون من د ن ل ه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليدل غطاه وما هو بباله ซึ่งหรบพรองนั้นคือการวิรงวอนี่แท้จริง์ธรรมดาผู้วิงวอนอื่นจากพระองค์จะเวทจะไม่สนองตอบใดๆแก่พวกเขาเว้นแต่เสมือนกับผู้ที่แบมือทั้งสองไปยังน้ำเพื่อให้ไหลสูปป่ปากของเขาแต่มันจะไหลถึงไม่ได้ในการวิรงวอนของพวกปฏิเสธสถานนั้นหาใช่อื่นใด นอกจากอยู่ในการหลงผิดเท่านั้นถ้าพูดถ้าอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายและผ่านดินต่างก็กราบต่อเหรด้วยความพักดีและความจำยอมและเงาของมันจะกราบด้วยทั้งยามเช้า قُلْ مَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ ا ل ل َّ ه قُلْ أَتَتَخَذْتُمْ م ِ ن دُونِهِ أ َ و ل ِ ي َ ا ء َ أَلَا يَمْلِكُونَ ل َ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ ن َ ف ْ ع َ وَلَا ضَرَّا قُلْ ه َ ل يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الْضُلُمَاتُ وَالنُّورُ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าใครคือพระผู้อภิบานแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ ท่งกล่าวถึงว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาผู้คุ้งครองอื่นจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือซึ่งพวกมันไม่มีอำ น, นาจให้คุณและโทษแก่ตัวของพวกเขาเองท่งกล่าวถิดว่าคนตาบอดกับคนตาดีจะเหมือนกันหรือหรือความมืดจะเหมือนกับแสงสว่างหรือหรือพวกเขาได้ตั้งบรรดาภาคีขึ้นกล่าวลอนั้นเพื่อให้ได้สร้างเช่นเดียวกับการสร้างของป ร, รงุง แล้วการสร้างนั้นได้คล้ายเคืองแก่กพวกเขากระทำนั้นหรือจงกล่าวเถิดว่าอัลลอตคือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งและพระองค์คือผู้ทรงเอกะผู้ทรงอำนาจยีอัลลอฮฺเจละมินัส๎ะมาอีมาทัสอาละตอูดิย์ตนบิกัดริฮาทะห์ตมลัสเซลุซับดารราบียะวะมินมายูกิดูนอะลัยฮิฟินนาริบติรา ك ة أو متاع الزبد مثلهم كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاف وأما ما ي ن ف ع الناس فينقط في الأرض كذلك يضرب الله ا ل أ ن ث ا ل พระองค์ทรงประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้าแล้วลำน้ำต่างๆก็ไหลไปตามปริมาณของมันกระแสน้ำได้พัดเอาฟองลอยอยู่เหนือน้ำและจากสิ่งที่พวกเจ้าหลอมลงไปในไฝเพื่อหวังทําเครื่องประดับหรือเครื่องใช้จะมีฟองเช่นกันในธรรนองนั้นอลัลลอฮฺทรงยกตัวอย่างความจริงและความเท็จสําหรับฟองน้ํานั้นจ่ออกไปเป็นสิ่งเหลือเดือดส่วนที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ก็จะคงอยู่ในแผ่นดิน ل ا ل َّ ذ ِ ي ن َ ا س ْ ت َ ج ا ب و ا ل ِ ر َ ب ِّ ه ِ م ا ل ح ف س ْ ن ى و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ل َ م ي س ت َ ج ي ب و ا ل َ ه ل َ و أ ن َّ لَهُم مَا فِي ا ل أ ر ْ ض ج َ م ِ ي ع َ وَمِثْلَهُ م َ ع ه ُ ل َ ف َ ت د َ و ا ب ِ أ ُ و ل ئ ا ك َ ل َ ه ُ م س ُ و ء ا ل ح ِ س َ ا ب ِ و َ م َ أ و َ ا ه ُ م ج َ ه َ ن َّ م و َ ب ِ ئ س َ ا ل م ه ا د สำหรับบรรดาผู้ตอบสนองต่อพระผู้ดีบานของพวกเขาคือการได้รับความดีและบรรดาผู้ที่ไม่ได้ตอบสนองตอ่อพระองค์แม้ว่าพวกเขาจะมีทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินและมีอีกเรี่องนั้นพวกเขาก็จะยอมเอามาถ่ายโทษอย่างแน่นอนโทนเหล่านั้นสําหรับพวกเขาคือการมีบัญชีที่ชั่วและที่บัลลักของพวกเขาคือนรกยานน้ำมันช่างเป็นที่พํานักที่ชั่วช้ายิ่งจริงๆ เท่านั้นผู้ที่รู้ว่าแท้จริงสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นความจริงจะเหมือนกับผู้ที่ตาบอดเท่านั้นหรือแท้จริงบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะไขขวด คือบรรดาผู้ที่ให้ครบสมบูรณ์ซึ่งสัญญาขอระองและไม่หยิดพิลุ่ต่อข้อตกลง <اب> ลบَบดาْผู้ที่เَื่อมُมْันตามที่เอ ن ล س ُ و ء งบ ل ْ ح าให้เขาเสืมสมผันและยเงรงพระผู้วบาของพวกเขาและกลัวการมีบัญชีชัผู้ที่เะืวอมสัมลัคว์ตามที่วาละลาะความละควมามละความละควมลมละควละความาละควาวามขาละวลวาละาลวมามวมวามละความลละควะควะความลวะความละคววามละามละควละคะวาะม มมละบรดาผตนโดยหวังความโปรดปรานของพระผูอภิบาลของพวกเขาและปฏิบัติละหมาดและบริจาคสิ่งที่เรา ได้เป็นปัจจัยอย่างชี้แก่พวกเขาโดยที่ซ่อนเร้นและเปิดเผยและสำหรับพวกเขาจะะจัดความชั่วได้ความดีชันเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาคือที่พมนะักในวันปลายที่ดี สวนสวรรค์ทั้งหลายอันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปอยู่พร้อมกับผู้ทำความดีจากบรรพบุรุษของพวกเขาและผู้ครองของพวกเขาและบรรดาลูกหลานของพวกเขาและมาลายกาจะเข้ามาหาพวกเขาจากทุกประตูของสวนสวรรค์ พร้อมกับกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พวกเจ้าเนื่องด้วยพวกเจ้าได้อรหนมันาะดีสนิทกันไรในบ้านปลายุมี และบรรดาผู้ทำลายพันธะของอัลลอฮ์หลังจากที่ได้คำมั่นสัญญากับพระองค์ไว้แล้วและพวกเขาตัดขาดสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ให้เขาต่อและบ่นทำลายในแผ่นดินชนเหล่านี้แหละพวกท้องจะรับการสาบแช่งและจะได้ นนล l l a h ยบิรรุกรกดิษั u a l م า يشاء وقذب وفرحوا ล ا ل ح ي ا ة ด ل د ن ي ا و م ล ح ي ا ة الدنيا في ا ล آ خ ر ة إلا لا تأ Allah ทรงให้กว้างขวางและทรงให้แคบแคบซึ่งปัจจัยยังทีพแก่ผู้ที่โร่งทรงประสงค์และพกเขาดีใจต่อชีวิตในโลกนี้และชีวิตของโลกนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับพระโลกแล้วหาใช่อื่นใดนอกจากความเพลิดเพลิง เ, เท่านั้นแล้วบรรดาผู้ปฏิเสธสัทธากล่าวว่าทำไมสัญญาณของพระผู้อภิบาลของเขาจึงไม่ถูกประทานให้แก่เขา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้หลงทางแก่ผู้ที่พร่งทรงประสงค์แต่ทรงนำทางสู่พระองค์แก่ผู้ที่สมฤกษ์ปอัลลัลิเดี๋ยนั้อลลอฮ์ทรระานสผู้ทรธาะนะและจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการละเมิกพึะองพระอ์ คพิทราบเกิดว่าด้วยการนับึกถึงขอร์รเท่านั้นจะทำให้จิตใจสงบบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีความผาสุขย่อมได้แก่พวกเขาและเป็นการกลับไปที่ดียิ่งบดาผู้ศรัทธากะควมดมผาุกอมไ้แกมพวกเขละเป็ลับไิม ในจำนวนนี้เราได้ส่งเจ้ามายังกลุ่มชนซึ่งก่อนหน้านั้นได้มีการส่งกลุ่มชนอื่นล่วงรับไปแล้ว เพื่อเจ้าจะได้บอกกล่าวแต่พวกเขาถึงสิ่งที่เราได้องค์การมาให้เจ้าเพื่อที่พวกเขาปฏิเสธสต้าต่อพระผู้ทรงกรุณาท่องกล่าวเกิดว่าพระองค์คือพระผู้อิบาลของฉันไม่มีพระองค์อื่นใดนอกจากพระองค์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันได้มอบความไว้วางใจและยังพระองค์คือการกลับไปของฉัน بل لله الأمر جميعا، أفلا يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا. เ ม, มื่อวันภูราฯซึ่งภูเขาถูกทำให้เคลื่อนที่ได้โดยมันหรือโดยมันนั้นแผ่นดินถูกทำให้แยกออกจากกันหรือโดยมันนั้นคนตาบอดถูกให้พูดได้ แต่เพรว่าพระบัญชาทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอรรถบรรดาผู้ศรัทธายังไม่รู้หรือว่าแม้ว่าเราทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงที่แนะทางแก่มนุษย์ทั้งหมดก็ได้และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความหายนะยังคงประสบแก่พวกเขาหนึ่องโดยพวกเขาได้กระทำไว้หรือจะเกิดขึ้นใกล้ที่ประณักของพวกเขาจนกระทั่งสัญญาณของรอดจะมาถึงแท้จริงอลรรถนั้นเป็นผู้ไม่ทรงผิดสัญญา และโดยแน่นอนบรรดาหรอซูญก่อนหน้าเจ้าได้เคยถูกเยอะหยันมาแล้วข้าได้ประวิงเวลาแกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วข้าได้ลงโทษพวกเขาแล้วการลงโทษของข้าเป็นเช่นใด ق م على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أن ت ن َ ب و َ ه بما لا يعلم في الأرض بظاهر من القول د ل ز ي ن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل พระองค์คือผู้ทรงเฝ้ามองทุกชีวิตที่มันได้ขวนขวายเอาไว้เฉมเหมือนกับเจ้เวททั้งหลายการะนั้นดึและพวกเขาก็ได้ตั้งคาทีกับบล้อจงกล่าวเถิดมองหมัดว่าพวกเจ้าจงกล่าวชื่อพวกมันหรือพวกเจ้าจะบอกพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ในแผ่นดินหรือเป็นเพียงคำพูดที่กล่าวขึ้นมาลอยๆกระนั้นด้วยเปล่าล แผนการของพวกเขาได้ถูกทำให้เพริบแล้วแกบรณาผู้ปฏิเสธและถูกปิดกั้นจากแนวทางของอัลลอ์และผู้ใดที่เราทรงประสงค์ให้เขาหลงทางแล้วสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้แนะให้เลยล من من สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษในชีวิต ความเป็นอยู <men> ่ของโลกนี้และแน่นอนการลงโทษในวันประโลคร้ายแรงยิ่งกว่าและสำหรับพวกเขาไม่มีผู้คุ้มกันจากการลงโทษของอัลลอฮฺ อุปมาสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยำเกรงได้ถูกสัญญาไว้คือแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างมีผลไม้และเงาร่วมอยู่ตลอดเวลานั่นคือบ้านปลายของบรรดาผู้ยำเกรงและบ้านปลายของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคู่ไฟนรกานจะรู้ว่ลลา เลบรนดาพู้ที่เราได้ประธานกำพีแก่พวกเขาต่างก็ดีใจดีใจต่อสิ่งที่ได้ถูกประธานลงมาให้แก่เจ้าอังกุรอานและส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนต่า ง, งมีผู้ปฏิเสธบางส่วนของมัน เขื่อนกุระจงกล่าวเถิดมูมัดเลยว่าแท้ที่จริงฉันได้ถูกชายให้เคารพภักดีต่อรองแต่ฉันจะไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์และก็ยังพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะเชิญชวนและก็ยังพระองค์เท่านั้นคือการกลับไปของฉัน มลต่ินตินานอนั้นเราได้ประทานอันพุรานแก่เขาไว้เป็นข้อชี้ขาดที่เป็นภาษาอังและหากเจ้าปฏิบัติตามความใถ่ของเขาหลังจากประทานได้มาอย่างเจ้าแล้วสำหรับเจ้าแล้วจะไม่มี และผู้คุ้มกันจากาาญญาการลงโทษของ a l l a และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตมาก่อนหน้าเจ้าแล้วและเราได้ให้เขามีภริยาและลูกหลาน และไม่บังควรแก่ศาสนาทูตที่จะนำมาซึ่งปฏิหารใดๆเว้นแต่โดยอนุมัติของอัลลา์สำหรับทุกสิ่งนั้นมีบันทึกไว้แล้วอัลลอฮ์จะทรงยกเลิกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงยืนยันสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และที่พระองค์นั้นมีแม่บทแห่งคำผิด ว่าอิมมะนูริอันนักบางที่นั่งอยู่นักที่จะُาَนักแต่อิมมะเป็นที่นักและเราจะให้เจ้าเห็นการลงโทษบางอย่างซึ่งเราสัญญากับพวกเขาหรือเราจะให้เจ้าตายถ้าถิ่นหน้าที่ของเจ้านั้นคือการเผยแพร่ และหน้าที่ของเราคือการํำระบัญชีเพราะเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเราได้ขยายพื้นที่แล้วเราได้ให้มันลดน้อยลงจากอนาเขตของมันแล้ลเราส่งตัดสิน ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงการตัดสินของพระองค์ได้และพระองค์เป็นผู้ทรงรวดเร็วในการสอบส ว, วลลนถ้าโดยแน่นอนบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเขาได้วางแผนมาก่อนแแล้วแต่นั้นแผนการทั้งหมดเป็นของอลัลลอฮ พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่ทุกชีวิตแสวงหาเอาไว้และพวกปฏิเสธศรัทธาจะรู้ว่าที่พมนักที่ดีในบนปลายนั้นจะได้แก่ผูใ้ใดบ้างและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า เจ้าไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนาทูดชงก่าวเถิดมัวหมัดก็เพียงพอแล้วที่อะลอตทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับพวกเจ้าและผู้ที่มีความรู้ในคำฟีนี้ก็เป็นพยานด้วย